รู้เลยว่าเราไม่มีทางจะทาให้เธอสบายไม่มีเส้นสายไม่มีอะไรมากมายเมื่อเห็นเธอเลือกเขากระจหาย ทึงเธอทุกวันคิดว่าเธอฉันเป็นเหมือนเขาคงสงใจ ฉันก็คงเหมือนกันเรือกคนที่ฉันตัดสินใจว่าดีพอต่อให้บอกกับเธอว่ารักรักรักก็เป็นกค่ลงจากปากต่อให้บอกว่าจะเอาฟ้าทังฟ้ามากอกให้เธอตหน้าต่อให้บอกกับเธอว่าฉันนั้นห่วงห่วงเธอกว่าชีวิตที่ฉันมี คมมีทางเปลี่ยนใจเธอจากเขา ห่วงหวงเธ อ, อยิ่งกว่าชีวิตที่ฉันมีอยู่ก็คงไม่มีทางเปลี่ยนใจเธอจากเขาหรืฉันเป็นยังไงให้เป็นงั้นฉันไม่ว่ากันเมื่อเธอได้เลือกเขาฉันไม่ว่ากัน แต่ฉันก็คงเหมือนกันเลือกคนที่ฉันตัดสินใจว่า ด, ดีพอต้องเลือกคนที่ฉันตัดสินใจว่า ด, ดีพอ